มีข้อน่าสังเกตยอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลโสดาบันที่ปรากฏเด่นชัดออกมาภายนอกคือการไม่มีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติดังมีคำบรรยานในบาลีว่าบุคคลโสดาบันครองเรือนด้วยใจปราศจากความทรนีมีความเสียสละเต็มที่ยินดีในการให้และการแบ่งปัน สิ่งของที่ควรให้ได้ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลบุคคลโซดาบันฉเฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลมีกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ปฤติการของอริยสาวกเหล่านั้นจึงมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าลักษณะว่าศรัทธาเพิ่มแต่โภคะลดหรือคุณธรรมงอกแต่ทรัพย์หดในทางวินัยสง พระพุทธเจ้าถึงกับได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุมิให้รับอาหารจากครอบครัวที่ทรงประกาศตั้งให้เป็นเสขะตามพุทธบัญญัตินี้ครอบครัวใดศรัทธาเข้มแข็งมากขึ้นแต่ทรัพย์สมบัติลดน้อยยากจนลงสงอาจประชุมพิจารณาสมมุติคือตกลงกันแต่งตั้งครอบครัวนั้นเป็นเสขะบาลีว่าเศขาสมติ หรือเสขะสมมุติไม่ว่าเขาจะเป็นเสขะจริงหรือไม่เพราะคุณธรรมภายในมองกันไม่เห็นแต่ถือเอาพฤติกรรมเป็นหลักภิกษุใดไม่เจ็บไข้และเขาไม่ได้นิมนต์ไว้ไปรับเอาอาหารจากครอบครัวนั้นมาขบฉันย่อมต้องอาบัตคือละเมิดวินัยมีความผิดหมายความว่าถึงเขาจะให้เองเช่นไปเยี่ยมเขาที่บ้านและเขาถวาย ก็รับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงขอเขาเพราะภิกษุออกปากขอหรือทำอุบายขออาหารมาเพื่อตอนเองฉันไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะขอจากใครๆเว้นแต่ญาติหรือผู้ที่ได้ประวารณาไว้แม้การขอปัจจัยสีอย่างอื่นๆก็คล้ายกันกติที่เห็นได้ในเรื่องนี้ที่สำคัญมีสองอย่างคือหนึ่ง เป็นวิธีการยกเอาคุณธรรมที่เป็นนามธรรมภายในตัวหรือคุณสมบัติของบุคคลออกมาประกาศหรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยให้มีผลทางปฏิบัติระดับสังคมในกรณีที่สมควร 2. สแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้มีคุณธรรมถึงขั้นนี้มีศรัทธาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเข้าถึงธรรมแล้ว เมื่อทำความดีจะไม่หวงผลที่จะได้ตอบแทนแก่ตนพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทำบุญโดยไม่หวังรอผลหมายถึงอิทธารมต่างต่างที่สนองความปรารถนาของตนจะไม่มีปัญหาให้เกิดความคิดสงสัยว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีหรือทำบุญแล้วทำไมไม่รวยไม่ได้ผลประโยชน์ที่หวังเป็นต้นทั้งนี้ เพราะเขามองเห็นธรรมแล้วเรียกว่ามีธรรมจักสุหรือปัญญาจักสุคือตาปัญญาที่มองเห็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสว่างชัดม่ใช่มีตะมังสะจักสุหรือตาเนื้อหนังที่มองเห็นแต่สิ่งเสพเสวยของอินทรีย์ห้าดูที่มาในตอนว่าด้วยคุณสมบัติของพระโสดาบันเช่นในวินัยปีดกเล่มที่สี่เป็นต้น โดยทั่วไปเช่นไหนที่มาหลอนนั้นทั้งหมดธรรมจักสูตรหมายถึงยานที่ทำให้เป็นโสดาบันคือโสตาปฏิมขยานแต่บางคราวหมายถึงสกาดทาคามีมรรคหรืออนาคามีมรรคด้วยก็ได้อัตถกถาบางแห่งว่าหมายถึงมรรคทั้งสามและผลทั้งสามก็ได้และในบางสูตรอาจหมายถึงมรรคได้ทั้งสี่ หรือทั้งมรซีและผล4ีคือถึงอรหัตผลในบาลีเช่นในอังกุตรานิกายติการนิบาทก็มีตัวอย่างกล่าวถึงธรรมจักสุเกิดสองคราวคราวแรกหมายถึงโซดาปฏิมักคราวหลังเป็นอนาคามีมักควนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุคคลโซดาบันนี้ มีความมั่นคงในคุณธรรมโดยสมบูรณ์แม้จะประสบสภาพไม่เกื้อกูลทางวัตถุมากสักเท่าใดความมั่นใจในคุณธรรมก็ไม่มีทางเสื่อมถอยเมื่อได้มองเห็นเหตุผลแห่งธรรมะประจักษ์แจ้งแล้วเมื่อเดินอยู่ในทางแห่งความดีงามถูกต้องแล้วก็ไม่อาจมีผู้ใดแม้แต่เทวดาจะมาชาักจูงให้เขวออกไปได้และไม่ว่าจะด้วยเครื่องล่ออย่างใดเรียกอย่างสมัยใหม่ก็คงว่า มีความเข้มแข็งทางจริยธรรมเต็มที่ในหลักนี้พระอัทิตยาฐารยกเรื่องอนาถบินธิกาเสฐีขึ้นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลระดับนี้จะเดินแน่อยู่ในทางของความดีงามไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลแม้ของเทวดาเป็นผู้ที่เทพเจ้าไม่อาจล่อหรือบังคับ ข, ข่มขีได้แต่ตรงข้าม กลับเป็นผู้ที่เทพทั่วไปจะต้องยอมปราชัยและเคารพบูชาหมายเหตุผู้อ่านสำหรับพุทธธรรมในทุกบทท่านจะมีอาคตาสถานคือที่มาจำนวนมากระบุไว้ประกอบด้วยนะครับและในหลายส่วนจะพ่วงมาด้วยคำอธิบายเพิ่มเติม ในการทำเสียงอ่านนั้นจะระบุที่มาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อความสะดวกและไม่สับสนเวลาฟังนะครับส่วนคำอธิบายเพิ่มเติมก็จะอ่านเสริมเข้าไปในเนื้อหาแต่ละตอนไปด้วยเลยท่านผู้สนใจโปรดใช้เสียงอ่านในทุกตอนเป็นการฟังภาพรวมหรือไว้ฟังทบทวนเท่านั้นนะครับสำหรับผู้สนใจในที่มาต่างๆควรศึกษาเพิ่มเติมจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ไปศึกษาได้โดยง่าย และอย่าลืมตรวจดูต้นฉบับล่าสุดในเว็บไซต์ของทางวัดก่อนด้วยทุกครั้งนะครับ